ธรรมจบเจ้าพุทธเราไม่สวงหาบนที่นอกจากพระพุทธศาสนา ศา ส, สนาคือตัวเราเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวมันก็เป็นบุญในพระพุทธศาสนานั่นแหละเมื่อกี้เราสวดมงคลสตรคือการ ทำบุญได้กายได้ ว, วาจาได้จิตใจทำหน้าที่ก่ประโยชน์ต้องประโยชน์ตนต้องประโยชน์ท่านเกิดสันติสุขสันติภาพในเบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นจะเป็นมงคล มันไม่ได้เป็นอัปมงคลชีวิตมันก็อยู่ได้เชื่อการกระทําไม่เชื่อมงคลที่เป็นมงคลตื่นข่าวเป็นความศรัทธาศรัทธาที่จะกลับมาหาตัวเองรู้เนื้อรู้ตัว มากวาออกไปนอกตัวรูปรดกินเสียงภายนอกกลับมารู้ภายในแต่พะเบื้องต้นของการฝึกการหัดการฝึกสติที่เป็นสติประฐาน ทำให้จิตให้ใจไม่ไหลล่องรอยออกไปสู่โลกที่มันทำให้เราเหมือนกับว่าลงเน่อเริ่มตัวใจแล้วก็เกิดความสุขความทุกข์ สายฟังศอกยาวานาะคือก็คือตัวพระพุทธศาสนานั่ยแหละความรู้สึกที่ตัวความรู้สึกที่ตัวจนรู้รอบกองสังขารนั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนามันเชื่อการกระทําเชื่อกรรมฐานกรรมฐาน เป็นการงานที่ทำให้จิตเข้าสู่สภาวะของธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตก็คือปกติความเป็นปกติจิตนี่แหละเป็นจิตของชาวพุทธรู้เตือนเบิกบานป่องใสว่องไว มอแก่การงานเราก็จึงมาปลึกมาหัดกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความคมชัดสติคือตาในมองที่กายก็ทะรู้ทะลวงมองที่จิตที่ใจก็ทะรู้ทะลวงเห็นอาการต่างๆ ที่เป็นตัวธรรมชาติแล้วเราก็เลือกเป็นดิบ ม, มาใช้ให้เหมาะตรงตามกาลเทศะฐานะอาฐานะตรงตามหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าหน้าที่ที่หน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า ก็เกิดคุค่ากเกิดประโยชน์มากมายความรู้สึกตัวนี่มันมีอยู่ตลอดเวลารู้ได้ทันทีการเคลื่อนการไหวเกิดความเป็นเองเช่นกระพริบตาหายใจเราก็ใช้เป็นเครื่องเราลึกรู้ของสติ ที่กำลังฝึกกำลังหัดได้ยิ่งเราเจตนาเคลื่อนลงไปการยกมือ14 ก, ส, กสีังหวะการสร้างจังหวะการเดินจงกรมหรือการเอานิ้วขยับสัมผัสพลิกมือคว่มพลิกมืองายกำมือเหยดมือ ยิ่งม ah ีเจตนาก็ยิ่งชัดธรรมทานก็ยิ่งเกิดพัฒนาการขึ้นมาเห็นรายละเอียดเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงอยู่เป็นประจำกายก็มีอาการของกาย เป็นธรรมชาติของกายจิตก็มีธรรมชาติของจิตเป็นอาการของจิตเราก็เห็นแล้วเห็นอีกนะเห็นไม่ได้เห็นเฉยๆนะเห็นแล้วก็หายสงสัย เห็นแล้วกเกิดการละการปล่อยการวางพวามเห็นด้วยสติด้ปัญญาจริงๆปัญญามีหลายระดับปัญญาก็คือถ้ามีแล้วมันเกิดความสว่างสวยัยเห็นตะลุผ่านตลอด ในระดับที่เรียกว่าบิญญานตาดูมันก็มีปัญญาทางตาหูฟังมันก็มีปัญญาทางหูตาบอดหูหนวกมันก็หมดปัญญาเห็นแสงสีเห็นรูปลักษ์ไม่ได้เสียง ถ้าหูหนวกก็ไม่สามารถที่จะได้ยินนะก็โง่าทางหูจากสุขวิจญญารณ์สดตาบิน ญ, ญาณกายสัมผัสจมูกได้กลิ่นลิมรสพอเรามีสติลงไปนะเราจะเห็นนะ้ออ ตาดูมันก็ไม่ทุกหูฟังมันก็ไม่ทุกแต่ทักษะสติตาดูก็หลุดไปทางตาหูฟังก็หลุดไปทางหูตะวันไหนมีอารมณ์มากระทบมันก็หลงเราเป็นทุกข์แต่ละตะาวาันก็นำทุกข์มาให้ถ้ามีสติเปลอเนื้อเปลอตัว มันเกิดยากมันก็มีแต่ไม่เผลอไม่เผลอรู้สึกรู้สึกรู้สึกวิญญาณเป็นปัญญาเบื้องต้นความจำได้หมายรู้สัญญาจำได้หมายรู้ได้สมองจำได้จำได้ อันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกับารที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมเราเคมีความจดจำแบบสัญชาติญาณแบบนิสัยความเคยชินมีโตสะจริตรมหาจิริตโหลพระจริตรลาคะจริตแต่วันนี้มาเป็นพุทธิจริตรู้เนื้อรู้ตัว รู้สึกตัวจนเป็นนิสัยจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะขยับขับเคลื่อนหันซ้ายแลกขวาจะกินจะขับถ่ายจะพูดจะนิ่งต่างๆก็เป็นความรู้สึกตัวมันไม่ได้แยกว่ากำลังเดินกำลังนั่งแต่มันรู้สึกตัวมีอาการเคลื่อนอาการไหว เป็นเป้าหมายเป็นเครื่องรักรู้มันก็จำได้จะใช้ตาใช้หูมันก็ไม่หลงเข้าไปจนหมดเนื้อหมดตัวนะ่คือการฝึกหัดให้มันถูกติดถูกตาของชีวิต จะได้ดำเนินชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ต่อไปปัญญาต่อมามันเรียกว่าอภิญญาอภิญญานี่มันเหนือสัมผัสที่หกมันเป็นสัมผัสที่รู้ได้ ถึงความพิเศษพิเศษแต่ว่ามันเป็นความไม่พิเศษที่มันมีอยู่ตามกฎของธรรมชาติอาปัญญามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้สัมผัสตัวนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าธรรมชาติเดิมแท้หายหไปแตกต่างบางทีนะ ศ า, าส์ราลาสิงห์นี่เขายังมีธรรมชาติที่ไวเมื่อมีภัยก็ตื่นตัวรักตัวกลัวตา ย, าาายก็พากันหลบภัยอพยพอย่างเมื่อสองวันนี้ฝนตกเมื่อวานหลายวันก่อนมดขนไข่ เราก็สัมผัสได้ถึงอากาศที่มันเปลี่ยนไปมันร้อนอ้าววิปริตจากเย็นเย็นอยู่แล้วก็มันรู้สึกกระสับกระส่ายกายของเรามันร้อนลุ่มเราก็เห็นชัดหรือว่าอากาศนะที่มีรหัสทิมเปลี่ยนไปจากการดำรงชีวิตของเรามายาวนานล้วก็สัมผัส มันมีก็มูลพอมัมีการเปลี่ยนแปลงไปเราสอัมผัสได้อย่างเช่นว่าเชียงใหม่อากาศหนาวแต่ลำปางร้อนจัดร้อนยังอยู่ในขุมนรกแต่ว่าเชียงใหม่นี่ับหนาวจังหวัดใกล้ๆ ก, ก, กันหรือว่าใจภูมิเราอยู่ตรงเนี้ยอากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งปีลองไปที่แขรงคอดูมันเป็นความแตกต่างเรียนได้ชัดเหมือนอยู่บนสวรรค์กัลงไปอยู่นรกนั้นสัจจาลาสิ่งก็สัมผัสชัดก็รู้แล้วีภัยหนีภัยที่ไหนปลอดภัยก็ไปอย่างเช่นข้างข่าวตอนนี้ก็รู้ชัดว่าที่ไหน ภายในโลกใบนีนะ้มีอาหารก็กบินไปเมื่อวานตอนเย็นตอนนี้ก็เตรียมบินกลับมาสู่รังที่ไหนมีน้ำก็อพยพพากันไปยามหน้าแล้งสารพัดสารพัน มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้หลงแสงสีเสียงจะลืมว่าธรรมชาติรอบตัวรหัสรอบตัวมันเป็นปัญญายังไงน่เาพิญญาในระดับที่เรียกว่าวิชุยานวิชุยานก็หมายถึง การยังรู้แตกฉานฉับพลันขึ้นมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าวิจิตานเป็นการยังรู้แตกฉานฉับพลันแต่ที่เราฝึกรหัดกันนี่มันเป็นเรื่องของปัญญาที่เป็นปัญญาภาวนามันเป็นปัญญาสัมมาสัมโพธิญาณ สัมมาก็คือขวัญมานั่นเองขวัญไม่ได้ไปสัมไม่ได้ไปสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็คือต้องมาอยู่ในตัวของพุทธศาสนาของเราคือตัวกายตัวใจนี่แหละกายเป็นวิหารธรรมรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ทันทีที่รู้สึกตัวมันเป็นอยู่แล้ว เป็นปัญญาในน้อยที่ต้องสั่งสมจนเป็นมหาสติมันเกิดอธิศีลสิกขาอธิสมาธิสิกขาที่ปัญญาสิกขาอันยิ่งมันเป็นขันเป็นขันที่เราเคยไปยึดเอารูปขันสนใจตัวกูตั้งแต่หัวจัดรถเท้าตกแต่งเสริมสวยดูแล แต่บัด น, นี้มันไม่ได้ไปใส่ใจแบบนั้นมันมาศึกษาจนเห็นเป็นธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติจิตใจก็เหมือนกันเคยคิดนึกปรึงแต่งฝันออกไปนอกโลกนั่นแหละบางคนคิดไปออกไปจากตัวหลายล้านปีแสง วิทยาศาสตร์ทางโลกต่างๆแต่ท้ายสุดก็ไม่พบตัวเองไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเองอยู่กับทุกข์ก็ไม่รู้ว่าทุกข์เหมือนปลาอยู่ในน้าเหม็นน้ํานกชนฟ้าเหม็นฟ้าไส้เดือนอยู่ในดินเหม็นดินนอนอยู่กับคูดเมนคูดคนอยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์แต่วันนี้เราเห็น กายใจของเราเห็นแล้วมันก็เห็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวหลงตัวมันก็จึงเป็นความสะดวกความสะดวกขณะนี้ขณะต่อขณะเมื่อสัมมาเกิดขึ้นมาขวัญมาขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็คืน ความเป็นปกติน ะ, ะกับสู่สภาวะปกติของจิตทุกครั้งก็ให้เราได้สังเกตมันก็จะเป็นนิมิตหมายเป็นความโชคดีเป็นการวิวัฒนาไปสู่คุณค่าไปสู่คุณภาพประสิทธิภาพต่างๆจะใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจ ก็ตรงตามหน้าที่ก็จึงฝึกจึงหัดกัน<ม>เห็นตัวเองเห็นตัวเองจเจริญสติสติก็จเจริญ<ม>เห็นแล้วเห็นอีกเห็นซ้ำๆจนหายสงสัยจึงเป็นเรื่องที่กระตือรือร้น การที่เราจะกลับมาหาตัวเองเห็นตัวเองอยู่เป็นประจำรูปแบบการฝึกหัดนีก็คือเหมือนกับว่าให้โอกาสเป็นการรับรู้ข้อมูล ให้มันเห็นข้อมูลที่มีอยู่จริงภายในของเราเนี่ยจนมันแปลกฉานขึ้นมาตัวสติที่มันออกมาจากรูปธรรมนามธรรมราลึกรู้รูปธรรมนามธรรมมีปัญญายเห็นว่ามันคือธรรมชาติที่ไม่ควรยึดไม่ควรถือ มันคือตัวชีวิตของเราอะคือตัวอาวุธศาสนาของเราที่ว่าของเราก็คือสมมุติพูดนแต่ว่าหมายถึงว่ามันมีอยู่กับกายกับใจของเราแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยประวัตินี้เราได้ข้อมูลเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกหลวงปู่เตียนจิตเตโพ์ เป็นป ร, รมาจารย์ทางด้านการจลสีประฐานอีสานตอนบนซึ่งมีชื่อเสียงบางคนก็สตาชื่อเสียงแต่บางคนเห็นว่าท่านมีความอ า, อ า, ามหารพ์ธรรมยยต้นตุนหลอกลวงสิบแปดมุขถ้าท่านรู้แล้วว่า ภูสตัตนาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มีสติเห็นกายจําเป็นรูปธรรมเห็นจิตใจเป็นนามธรรมมีสติดูกายมีสติดูจิตมีจิตดูจิตมีสติดูจิตมีส ต, สติรู้สติ มันเกิดการแตกฉานแยกแยะขึ้นมาอันนี้แหละเป็นชาวพุทธตัวจริงมันไม่ใช่ชาวพุทธตามสมนนตเบียนบ้านที่เชื่อมองคนตื่นข่าวงัวหลงอมงายไปวันๆชีวิตไร้สารละทำอะไรก็ชั่ววูบไม่เคยดีวูบมันก็เกิดความดีได้ยากทางกายวาจาใจ ทำ ไ, ไปแล้วก็เป็นกรรมไม่ทําแล้วก็แล้วไปทํารรมชาฐานก็นยึดรูปแบบติดรูปแบบมันไม่เป็นธรรมชาติสกักทีมันทําไปทําไปแล้วนะการโดยธรรก็เพื่อนะคืนสู่ธรรมชาติของจิตสู่ธรรมชาติเดิมแท้สามัญมันเป็นสามัญลักษณะ จากสูงสุดสู่สามัญเหมือนกันทุกคนกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนพอแก่ก็ทุกเจ็บกะทุกตายก็ทุกสาหรับคนที่ฝึกหัดปฏิบัติรับรู้เรียนรู้ฝึกหัดมาดีก็เห็นแล้วว่าแก่ก็คือธรรมชาติธรรมดาเจ็บก็คือธรรมชาติธรรมดาตาย ก็คือธรรมชาติธรรมดาของกายดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟจิตก็ต้องมีอาการต่างๆมากมายต้องคิดนึกปรุงแต่งอดีต น, นาคตพัดพ้าจากของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์อันนั้นเป็นสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เคยฝึกหัดคนที่เคยรับรู้เรียนรู้มาการพัดผาก็เป็นเรื่องธรรมดา มีเจอก็ต้องมีจากมีมาก็ต้องมีไปเป็นของคู่มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมารู้แล้วจนไม่เป็นเป็นกลางวันไม่เป็นกลางคืนไม่มีจะมาไม่มีจากอย่างเช่นวันนี้นักศึกษาก็เป็นวันสุดท้ายแล้วจะได้กลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของเราจริงๆแล้วไม่ใช่มาไม่ใช่กลับ มันคือความรู้สึกตัวมาสุกโตมารับรู้วิชากรรมฐานเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวที่กายของเราที่ใจของเรารู้สึกตัวพอเรากลับไปมันก็มีกายมีใจเหมือนกันก็คือรู้สึกตัวมันจึงไม่เกี่ยวว่ามาว่ากลับอยู่สุกโตหรือจะอยู่สุรินจะอยู่ที่ไหนๆก็ตามทุกคน มันเป็นความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวมีกายอยู่ที่ไหนมีใจอยู่ที่นั่นเคลื่อนไหวที่ใดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนอาจารย์กำพลทองมนนุ่มนะที่เมื่อคืนเราดูกันนะใช้ชีวิตโดยประมาทกระโดดน้ำอีกครั้งเดียวนะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยาติพอเธอมากินข้าว ไปช่วยเพื่อนสอนกระโดดน้ำมีเด็กนักเรียนมาเรียนกระโดดน้ำในช่วงตอนเย็นหาลำไยพิเศษกระโดดแล้วกระโดดอีกโชว์นักศึกษาเพื่อนชวนมากินข้าวเฮ้ยเดี๋ยวขออีกรอบนึงสุดท้ายแล้วปรากฏว่ากรรจัดสรนให้เลย กระโดดลงไปหัวกระแทกไปนำมาพึกอมภาตทันทีก็คือพอทุกข์แล้วค่อยหาทางออกพิการนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าจิตมันต้องเที่ยวตอนหลับก็ฝันไปเคยไปนั่นไปนี่ เคยอยู่กับคู่รักคนรักเคยไปทำงานก็ฝันไปพอตื่นขึ้นมาก็เป็นอามาพจนงงตัวเองว่าอะไรคือความจริงกลางคืนนอนมีความสุขกลางวันตื่นมาทำไมมันพิการจนจะเป็นโรคจิตโรคประสาทตายพอรักมากไปหาธรรมะ ไปตามสำนักต่างๆเอาหนังสือทำมะเอาเทพทำมมาให้รู้ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาพูดธรรมะให้ฟังตามภูมิจิตภูมิธรรมที่รู้มาท้ายสุดอ่านหนังสือมาสิบหกปีก็ยังไม่ได้คำตอบพอลงมือกระทำหนึ่งเดือนเป็นการปรากฏขึ้นมาขอกรรมฐ า, านทางจดหมายหลวงพ่อเขียนก็บอกว่ า, วา มีลมหายใจอยู่วะปฏิบัติธรรมได้มีกะพริบตาได้ก็ปฏิบัติธรรมได้พลิกมือคว่ำพลิกมือหงายก็ปฏิบัติธรรมได้ให้กรรมฐานแก่นี้เองมีศรัทธาก็นําไปทําก็ไม่ได้อยู่วัดอยู่วาอยู่บ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ท้ายสุดก็ลาออกจากความพิการจิตสดใจแม่กายพิการเนี่ย จกทั้งเป็นต้นแบบเป็นแบบเป็นอย่างให้กับสังคมเราก็ไปลองรอยทุกนาดนั้นหลังจากที่เราได้มารับรู้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังฝึกหัดปฏิบัติเอาไปขยายผลต่อเอาไปบุรณาการก ต, ต, ต่อต้องแต่ตืนยันหลับเราก็พยายามตื่นขึ้นม า, าก็ขยับรู้สึกตัวลุกขึ้นพับพระห่มที่นอนหมอนมุ่งรู้สึกตัว เดินเข้าของน้ำรู้สึกเป็นการเดินจงกลมไปจิบแปลงสีฟันยาสีฟันถูฟันก็รู้สึกตัวร่างหน้าร่างตาเช็ดหน้าเช็ดตารู้สึกตัวจึงไม่ใช่ทีวัดเท่านั้นไม่ใช่ในรูปแบบต่านั้นไม่ใช่ณเวลานี้เท่านั้นทุกๆเวล า, วลาขยายผลไปชีวิตเราก็จะได้ขยายความสุข ความสุขหมายถึงว่าสุขเกษมสารไม่ใช่สุขเผาสุขจีเป็นสุขที่เกิดจากจิตใจที่เป็นปกตเิเกิดความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจิตใจจนกระทั่งมันทั้งวันเรานอนหลับหลับแล้วก็แล้วกันก่อนนอนเราก็รู้สึกตัวมันคิดขึ้นมาสติก็มักจะเข้าไปช่วยตอนฝัน พอคิดโดยเฉพาะนอนกอกสองนะกอกแรกกอกที่หนึ่งก็คือมันจะหลับอยู่ประมาณ4ี่ถห้าชั่วโมงหลับลึกแต่พอมันก๊อกสองแล้วนั้นแหะถ้าตื่นขึ้นมาไม่รู้มันฝันแหลกเลยคิดนั่นคิดนี่คิดนู่นฝันละเมอแต่แล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่แพ้ไม่ผ่องใสนะไม่แจ่มใสเราก็สังเกต ทุกครั้งที่มันมีความรู้สึกตัวองมันก็ผ่องใสขึ้นมาเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติก็ทำให้เราได้รู้จักตัวเองแบบลึกซึ้งมากกว่าที่คนอื่นรู้จักเราแล้วก็เราไปรู้จักคนอื่นแต่ก็ม่จะเหมือนกันเมื่อเราเห็นตัวเราเราเห็นคนอื่นเหมือนกันเมื่อเราคลองตนได้มันก็คลองคนอื่นได้คลองงานได้คลองตนคลองคนครองงาน มันก็เลยเหมาะกับการทําหน้าที่ทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายหน้าที่ต่อตัวเองหน้าที่ต่อผู้อื่นหน้าที่ต่อโลกสัพสัตสัพสิ่งต่างๆเนะพราะฉะนั้นก็ขออํานวยพรให้นักศึกษาแลา้วก็ญาติโยมที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติในครั้งเนี้ก็ขอให้ ความประพฤติดีที่ผ่านมาของเราทั้งหลายแล้วก็ที่เรากําลังทําอยู่นี้ก็รวมตัวควบแน่นเป็นเหตุเป็นพอเราปัจจัยคำจุดนุนส่ ง, งให้พวกเราทุกคนได้เจริญโดยอายุนาสุขภัณฑะโอกาสที่จะทำงานใดๆก็ตามก็ขอให้มีความสําเร็จมีความสําเร็จมีความสําเร็จมีความสําเร็จโอกาสที่จะพัฒนาจิตตัวเอง โดยการเจริญสติภาวนาในทุกๆขณนะมีปกติรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันจนกระทั่งเข้าถึงความมีสันติสุขสันติภาพที่สุดแห่งกองทุกโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอน